50 languages. f i f t y m e t Supermarket. We go to t น e supermarket. Let's go to t मुझे ख र ी द ाริ क र न ี है หดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างแม่บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบिบ क บบบบाบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ ने के लिए บบบบบบบ िए ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิกมุ่งเจ็บบาลปินและมาร์คเกแผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหนเฟอร์นิเจอร์ค่าห์ฮดิฉันต้องการตู้และตู้ลินชักมุ่งเจ็บอีกอัลมาเรียและอีกส ن ดิฉันต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ ผมอेากเขียนหेังสือแผงของเล่นอยู่ที่ไหนคะ ख ก ल ของเล่นा न क ह ा ह ี है หนคดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี मुझे एक ग ु ड ้ลูกบอล ड ละตุ๊กตาหมีดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก मुझे फुट ब ॉ ल और श त ลแ ज ะกระด แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะ काम करने का ่ะ म, म ा न कहा ะอยดิฉันต้องการคอนและคีมมดิวานต้องการสวเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเปूนส र ाรับกे च क स की जरूरत है คแนนเครื่องประดับอยู่ที่ไหนเซฟราต์กี่แหดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ मुझे ए क ิा र और एक कंगन की जरूरत ีจดิฉันอยากได้แหวนและต่างหู मुझे एक अंगूठी और क ा न ะก้านูคีบาลีอุคีจํา